ศีลระดับธรรมอยู่ที่ตัวคนศีลระดับวินัยขยายผลเพื่อสังคมศีลตามความหมาย ก, กว้างๆอย่างที่ใช้เป็นคำไทยนั้นกล่าวได้คร่าวๆ ว, ว่ามีสองระดับหนึ่งระดับทั่วไปสอง ระดับเฉพาะระดับทั่วไปได้แก่ระดับธรรมหรือระดับที่ยังเป็นธรรมคือเป็นข้อแนะนําสั่งสอนหรือหลักความประพฤติ ท, ที่แสดงสัพ บ, บารีใช้คำว่าเทสิตะคือแสดงให้รู้เข้าใจผู้ที่ทำดีทำชั่วมีความประพฤติดีประพฤติชั่วหรือรักษาศีลละเมิดศีล ย่อมได้รับผลดีผลชั่วเองตามเหตุปัจจัยตามกฎธรรมดาแห่งความดีความชั่วที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมหรือตามกฎแห่งกรรมนั้นศีลระดับที่สองระดับเฉพาะได้แก่ระดับวินยัยหรือระดับที่เป็นวินยัยคือเป็นแบบแผนข้อบังคับที่บัญญัติคือวางหรือกําหนดขึ้นไว้ สับบาลีใช้คำว่าปัญญัตเป็นทันองประมวลกฎหมายสำหรับกำกับความประพฤติของสมาชิกในหมู่ชนหรือชุมชนหนึ่งโดยสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหมู่คณะหรือชุมชนนั้นโดยเฉพาะผู้ละเมิดบทบัญญัติแห่งศีลประเภทวินัยนี้มีความผิดตามอาณาของหมู่ซ้อนเข้ามาอีกชั้นหนึ่งเพิ่มจากอากุศลเจตนา ที่จะได้รับผลตามกฎแห่งกรรมของธรรมชาติเมื่อพิจารณาตามหลักนี้จะเห็นได้ว่าสังคมวงกว้างคือหมู่มนุษย์ทั้งหมดมีสภาพต่างกันไปทั้งโดยกาละและเทศะตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาวะเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้นซึ่งแปลกกันไปตามถิ่นตามยุคสมัยการที่จะวางบทบัญญัติเกี่ยวกับศีล ในส่วนรายละเอียดลงไว้เป็นแบบแผนอย่างเดียวกันตายตัวโดยอานาอย่างที่เรียกว่าวินัยนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะพึงกระทำเพราะไม่อาจให้สังคมทุกยุคทุกสมัยทุกสภาพแวดล้อมดำรงอยู่ได้ดีและมีสภาพเกื้อกูลด้วยประมวลบทบัญญัติที่มีข้อปรีกย่ออย่างหนึ่งอย่างเดียวกันทั้งหมดดังนั้นสาหรับสังคมมนุษย์ทั่วไปพระพุทธศาสนาจึงแนะนาสั่งสอน หรือเสนอหลักธรรมหมวดที่นิยมเรียกกันว่าศีลห้าไว้เป็นข้อกาหนดอย่างต่ำหรือหลักความประพฤติอย่างน้อยที่สุดในระดับศีลเลยจากนั้นขึ้นไปก็มีศีลในกรรมบทคือกุศลกรรมบท7ข้อต้นหรือศีลที่เป็นองค์แห่งมรกได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะซึ่งเป็นหลักของศีลอย่างกว้าง ศีลอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนตามฐานะที่มันเป็นธรรมคือคำแนะนำหรือหลักความประพฤติซึ่งเมื่อปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติย่อมก่อให้เกิดผลดีหรือผลร้ายไปตามกฎแห่งธรรมดาถ้าคนผู้ใดเห็นชอบว่าตนควรประพฤติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยกเอาข้อธรรมขั้นศีลเหล่านี้มาเป็นข้อปฏิบัติของตน เพียรพยายามตั้งใจทำตามนั้นถือกันว่าถ้าเขาปฏิบัติได้แม้เพียงสีลห้าก็สมควรแก่การเรียกว่าเป็นชาวพุทธพูดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคนผูดด้ใดต้องการเป็นชาวพุทธพระพุทธศาสนาก็กาหนดเงื่อนไขให้เขารับเอาข้อธรรมอย่างน้อยห้าข้อนั้นไปถือปฏิบัติเมื่อถึงตอนนี้ ทำขั้นศีลห้าข้อนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นศิกขาบทหแปลว่าข้อสำเนียกหรือข้อฝึกหัดความประพฤติ5้าอย่างผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกามีข้อกำหนดความประพฤติอย่างต่ำเท่านี้แต่ถ้าผู้ใดมีอุตสาหะจะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอีกเช่นรักษาอุโบสถมีองค์8ในวันอุโบสถ อีกส่วนหนึ่งก็ได้คำว่าอัดถังคะสมณ น, นาะตะอุโบสถอุโบสถประกอบด้วยองค์8หรืออัดถังคีกะอุโบสถอุโบสถมีองค์แปดหรืออัดถอุโปสถังคะองค์อุโบสถแปด 8. เป็นที่มาของคำว่าศีลแปดซึ่งเป็นคำเรียกชั้นหลังไม่ปรากฏในพระไตรปิฎก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 ในสิงคาและกะสูรเช่นการเว้นอากติสี่การไม่เสพอบายมุกหและความสัมพันธ์ตามหลักทิ้งหเป็นต้นว่าเป็นขิหิวินันคือวินันของคฤหัสถ์บ้างซึ่งตรงกับอาคารยะวินันนั่นเองหมายเหตุเชิงอัตอัตถากถาที่กล่าวอย่างนั้นคือสุมังคละวิลาสีหลักที่ตรัสไว้ในโสรนี้คือ การละกรรมกิเลสสการเว้นอกติสี่การไม่เสบอบายามุขหหลักทิฏหรวมถึงคำสอนเรื่องมิตรแท้มิตรเทียมการจัดสรรทรัพย์เพื่อใช้สอยและสังหะวัตถุสี่คำกล่าวของพระอัฏฐกถาจานี้อาจเกิดจากการที่ชาวพุทธได้เคยยึดถือกันอย่างนั้นก็ได้แม้ชาวพุทธในปัจจุบันก็น่าจะทำตามแบบอย่างนี้ โดยคัดเลือกเอาธทมขั้นศีลทั้งในสูตรนี้และในที่อื่นๆเช่นอุบาสกธรห้าเป็นต้นมากำหนดเป็นวินัยของพวกตนถึงแม้ไม่อาจให้เป็นวินัยของชาวพุทธทั้งมวลจะ ก, กำหนดเฉพาะทินเฉพาะกลุ่มเฉพาะชุมนุมของพวกตนก็ยังดี